ท่านติโกนะท่านเป็นลูกศิษย์ท่านพอลีนะท่านพลีอันนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งอโศการามท่านพอลีท่านเป็นลูกศิษย์ของปู่มั่นหลวงพ่อเฟืองก็มาพบกับท่านคนเมืองจันมันาก็พบกับ ธนพลีตอนที่เพิ่งบวชได้ไม่แค่ปีสองปี เ, เกิดศรัทธาในปฏิปทาธนพลีก็เลยหันมาปฏิบัติกรรมฐานตอนหลังก็ได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่มั่น ก็เกิดศรัทธาแล้วก็พากันไปจาริกพากัไปกับหลวงปู่เจี๊ยนะคนจันท บ, บุรีด้วยกันก็ทุดงไปถึงอีสานแล้วก็ไปไปการหลวงปู่มั่นช่วงที่ไปไปฏิบัติที่ไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่าง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 ขอยาหปู่มั่นทราบก็ตำหนินว่าพูดโดุขึ้นมาเลยนะว่าเนี่ยเอาอะไรเป็นสารณะเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะหรือว่าเอาอยาเป็นสารณะนับถือศาสนาอะไรกันแน่นับถือศาสนาพุทธหรือว่าศาสนายา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 พอฟึ่งเห็นสองเหตุการณ์นั่นก็เลยเกิดความงงสงสัยว่าตกลงอาจารย์ของเราหลวงปู่บ้านนี้ท่านเอาอยัางไงกันแน่คนหนึ่งก็บอกว่าอย่า ก, กินยาเอายาเป็นสารณะ ห, หรือยาผู้จ่าเป็นสารณะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าทําไมเป็นคนเลี้ยงยากเนี่ยยามีไม่กิน ตอนหลังถ้าเข้าใจนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นยังไงนะคือท่านก็เห็นว่าอธิบายอยู่ว่าอ้าครูบาอาจารย์ต้องการปรับทิฏฐินะของลูกศิษย์นะลูกศิษย์บางคนก็สุดโต่งไปทางหนึ่งนะท่านก็ปรับมาเป็นคนที่พึ่งคิดได้ป่วยแล้วก็เอาแต่ยาท่านก็ ทำหนีเพื่อไม่ให้ไปพึ่งยาแต่ในบางคนบางคนที่สุดตรงไปอีกทางหนึ่งคือเอาแต่สมาธิท่านก็บอกว่าต้องให้หันมาใช้ยาบ้างที่จริงธรรมะนี่ก็เปรียบเหมือนยานะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนบูบาลแต่ก็เปรียบเหมือนยา ยานี่มันไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไรคนที่เป็นความดันมีความดันสูงนะ่ายากระปุ้นแปมัก็ก็แย่นั่นแหะก็ต้องใช้ยาลดความดันส่วนคนที่มีความดันต่ําอยู่แล้วนะถืงท้่ยาลดความดันไปก็แย่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 ครูหรือว่าพ่อแม่ก็ต้องก็ต้องกระตุ้นให้ขยันนะถ้าเอาแต่นอนนะก็ต้องกระตุ้นให้นอนน้อยแนละ้วก็ขยันให้มากขึ้นจะ่ด็กบางคนขยั น, รยนเรียนจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนพ่อแม่หรือครู ก, ก็ต้องบอกว่าให้พอพาๆหน่อยนะให้รู้จักพักผ่อนบ้าง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 พวกเราเนี่ยเวลาเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะว่าธรรมะเนี่ยมันแล้วเป็นอากาโกนะให้ผลได้ไม่จำกัดการแต่ว่ามันก็เหมือนกับยาเขาจึงเรียกว่าธรรมโอสดมันเหมือนก็ยาที่ว่ามันใช้แก้ปัญหาหรือว่าใช้ปรับปรุงตัวบุคคลแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมีปัญหาไม่เหมือนกัน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 เฉยชาง่วงนอนนะก็ต้องเติมต้องใช้ยาที่ชื่อว่าวิริยะความเพียรเติมเข้าไปส่วนคนที่ฟุง้งซ่านอยู่แล้วเนี่ยบางทีต้องเพียรให้น้อยลงนะถ้าเติมเติมความเพียรเข้าไปอีกเนะี่ยบางทีหนักเข้าไปใหญ่คนที้กำลังฟุง้งซ่านอยู่ไนดะ้เติมความเพียรเข้าไปนี่ฟุง้งซ่านนะะต้องทําให้นิ่ง ก็คือสมาธิเติมสมาธิเข้าไปเพื่อให้มันนิ่งนะไม่ใช่เติมวิริยะความเพียงมากๆนี่มันทำให้ฟุ้งซ่านนะมีพระรูปหนึ่งพระโสนนะเนี่ยท่านเคยเป็นนักดนตรีดีดพิน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 มีผิวที่บอบบางนะเรียกเป็นพวกสุขุมารชาตินะบอบบางของผู้หญิองอีกผิวสวยนะเท้าท่านี้พอเดินอย่างกุมานี่ก็เท้าก็แตกเท้าแตกก็ยังไม่หยุดทำความเพียรเดินอี่านจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ เ, ไดเลือด ก, ก็ไหลไหลซิบซิบเป็นทางเลยตอนหลังเดินไม่ไหวนะ ก็ไม่ยอมหยุดนะก็คลานเนาะเดินเดินแบบเดินคลานก็ทุกทรมานมากทุกทรมานมากไม่เท่ายครับการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าเลยจงกระทั่งท้ออยากจะสึกเมื่อพู้เจ้าทราบก็เลยมามาพูดคุยนะก็ก็เปรียบยกตัวอย่างพินสามสาย นะถ้าสายพินขึงตึงนะเพราะไหมวาสนาบอกไม่เพราะถ้าสายพึงสายพินหย่อนไปเพราะไหมก็ไม่เพราะต้อต้องพอดีพอดีนะสายพินขึงให้พอดีพอดีแล้ววิญญาณกะดิตัดด้านเนี่ยความเพียนเนี่ยถ้ามากเกินไันก็ฟุ้งซ่านนะถ้าน้อยเกินไปมันก็อ่าซึมเศร้า ต้องทำความเพียรพอดีพอผู้เท่านี้เ น, นี่ยภสนาก็เข้าใจแล้วก็เลยความเพียรนั้นก็เลยลดลงไม่ใช่ลดไม่ใช่ลดความเพียรที่กายแต่ว่าลดความความคาดหวังที่ใจด้วยแต่ก่อนนี่จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้พอทำแล้วจิตใจก็ค่อยกลับสมดุลในสุดก็บรรลุรานพระอรหรันต์ แล้วพวกเราเคยได้ยินนะผู้เจ้าเนี่ยบอกว่ามนุษย์เราล่วงทุกได้เพราะความเพียรมนุษย์ล่วงทุกได้เพราะความเพียรแต่ทําไมเนี่ยกับพระโสดาเนี่ยถึงบอกว่าให้ลดความเพียรลงนะไม่ได้ขัดแย้งกันนะไม่ได้ขัดแย้งกันเพราะคนทั่วไปนี่ก็ไม่ค่อยมีความเพียรเท่าไหร่ผู้เจ้าก็เลยพูดเพื่อให้มีความเพียร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 พอเพียนแล้วเพียนอีกก็ยังไม่บรรลุก็เลยต้องเพียรมากๆขึ้นอนะันนั้นมันไม่ใช่มนันเรื่องความพอดีเป็นเรื่องความพอดีที่เราต้องเข้าใจอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์ห้าเนี่ยนะมันก็มีสติมีปัญญาศรัทธามีวิริยะสมาธิแต่ละข้อดีทั้งนั้นนะ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 ไม่ได้นะงมงายไปผิดที่ผิดทางก็มีนะศรัทธาคนที่ปฏิพฝติตัวไม่ถูกต้องนะศรัทธาหัวหน้าแก๊งโจรนี่ก็พาเข้าลถเข้าพงได้มม่มีปัญญามากำกับหรือมาทวงศรัทธาไม่ได้พอดีพอดีหน่อยปัญญามากไปก็มีปัญหา ปุ้งซานหรือไม่ก็เกิดมานะความหลงตัวก็ต้องมีศรัทธาบ้างในงั้นมันไม่ยอมไม่ยอมทำอะไรจนกว่าจะคิดให้ทะลุ ป, ปลุกปลงนะิพพานมีจริงไมต้็งใช้ใช้ความคิดนะหาคำตอบนะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่มีทางพบนะบนันทีก็ต้องอาศัศรัทธาต้องหรือศรัทธา้างศรัทธา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 พบไม่ได้โดยการคิดนะหรือเข้าถึงไม่ได้โดยการใช้เหตุผลนะมันต้องเกิดจากการทดลองได้สัมผัสแม้แต่รสอาหารรสอร่อยรสหวานรสเปรี้ยวนี้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นก็ไมสามาจะรับเรื่อมเป็นยังไ ง, จ, งจะไปได้ลิ้มดูนะได้ชิมดูเรียกกับสมาธิคือเหมือนกันนะสมาธิตาวุฒิยามากไปนะมันก็ฟุง้งซ่าน ต้องมีสมาธินะสมาธิก็เป็นตัวคล่ายตัวหยุดตัวตัวพักตัวช่วยให้นิ่งพ่ชงเจ็ดก็เหมือนกันนะพชงเจ็ดนะก็มีสติแล้วก็ธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือการสอดส่องธรรมะพิจารณาใครคนก็คือตัวปัญญานั่นแหละธรรมวิจยะแล้วก็วิริยะนะ แล้วก็ปิติอันนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปสัสสัิสมาธิแล้วก็อุเบกขากลุ่มแรกนี่จะเป็นตัวตัวกอตัวกระตือรือร้นกลุ่มที่สองเป็นตัวเฉย ธรรมวิจยายนีงจะคอยสอดส่องวิจารณาเนะวิยิญายนี่ก็อย่างเห็นรู้อยู่แล้วนะต้องทำทำความเพียรปิติมพื่อทำให้ใจฟูปัสสะเทนี่ฝ่อนคลายสมาธินี่ก็สงบอู่เบค้าก็ปล่อยวางนะเวลาเฉยชาเนี่ยเวลาง่วงงาเขานอนนะ คืนใช้สมาธินะปัสสธิอุเบกขาหนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยมันต้องใช้สมริจยาวิริยะนะแล้วก็มีปิติมาช่วยทำให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาแต่ถ้าเกิดฟุ้งซ่านนะนะทำเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตัดสรู้หรือไม่เห็นไม่รู้ทำ ได้ขาว่าโอ้พวง่งชนเจดนี่เป็นองค์ธรรมอย่งการตัดสุลูเพราะฉะนั้นนี่ก็พยายามเอาธรรมะในพวง่งชนเจดมาแก้ไขปัญหาตัวเองถ้าเอามาใช้ผิดกรณีก็แย่นะเป็นฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยถเถอคืนเติมวิริยะเข้าไปมันยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปใหญ่หรือว่าถ้าเอาธรรมวิริยะเข้าไปมันก็ยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปใหญ่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 เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแม้จะแม้จะเชื่อว่าทําทุกข้อนี่ยดีอันนี้มันถึกุศลธรรมนะหมายถานะึงทําขาวนะไม่ใช่ธรรดำําทําดํานี่ก็เรื่องหนึ่งทําขาวหรือกุศลธรรมนี่ดีทั้งนั้นเป็นเป็นสากลใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยใช้ได้กับทุกคนไม่จํากัดการเป็นอากาลิโกแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะใช้ได้กับเรา ไม่ใช่เราจะเหมาะกับเราหรือจะเหมาะกับทุกคนในทุกกรณีนะเพราะมันเหมือนกับยาน่ยานี่มันก็มีผลกับทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งกินเช้ากินเย็นก็อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ไม่มากแต่ว่ามันจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อใช้ให้ถูกกรณี ที่เราปฏิที่เราสวนมาสักครู่เนี่ยจึงมีความหมายนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมถ้าไม่สมควรแก่ธรรมนะั่นมันก็แย่นะเช่นออย่างที่พูดยุติธรรมสักครู่เนี่ยอฟงสร้างอยู่แล้วนี่ก็เอาเติมทำรรมัวิทยาเข้าไปเริอวิทยาเข้าไปมันก็หนักเข้าไปใหญ่แต่ว่าไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของธรรมะแต่และข้อ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 หรือความพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้คนที่มีความสันโดษก็จะอยู่ง่ายนะแต่ไม่แปลว่าไม่ขนขววยนะสันโดษนี่ถ้าใช้ผิดนี่ก็เรียกว่าการเป็นขี้เกียจไปฉันต้องการเดือนหนึ่งฉันต้องการแค่พันบาทนี่ฉันก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าฉันอยู่ง่ายกิน ง, ง่าย ก็เลยทำงานจริงแค่วันละชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้มาได้มาสามสิบาทนะเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณพันหนึ่งพอแล้วต้องการพันหนึ่งหามาได้พันหนึ่งพอและที่เหลือทำอะไรที่เหลือก็นั่งเล่นนอนเล่นอันนี้สันโดษผิดนะอยู่ง่ายกินง่ายดีแล้วแต่ว่าต้องข ย, ยัน ไม่เป็นต้องขยันทมาหากินก็ได้นะแต่พยาันทําอย่างอื่นเช่นโอเคทํางานแค่วันลาชั่วโมงแต่ว่าเวลาที่เหลือก็มาใช้ในการศึกษาปฏิบัติธรรมใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นในจิตอาสาทําความดีไม่ใช่นั่งเล่นนอนเล่นอันนี้มันเป็นเปิดช่องให้สรรหาเข้ามาครอบงำในพุทธเจา้าก็จะบอกว่าสันโดลต้องคู่กับวิริยนะสันโดลต้องคู่กับวิริยะ ที่จริงผู้จะสอนความไม่สันโดษด้วยนะสันโดษในเรื่องปัจจัยสี่เรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองต้องรู้จักสันโดษแต่ว่าที่ไม่สันโดษคือว่าธรรมะความดีนี่ก็ไม่สันโดษคือมืออย่าหยุดทำไปเรื่อยๆอย่ารู้จักพอนะต้องทําไปเรื่อยๆความรู้วิชาความรู้ก็ต้องหาไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ความรู้ทางโลกเท่านั้นความรู้ทางธรรมด้วย ไี่สันโดษนี้มีเพื่อเพื่อให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปรเรื่องการทํามาหากินหรือไม่เสียเวลาไปรเรื่องการอาการเสร็สุขปนเปลือกตนด้วยวัตถุสิ่งเสพเพราะว่าถ้าเสียเวลาเกิดเรื่องถ้ามีความถ้ามีความความอยากในวัตถุมากเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาการทํามาหากินเพื่อได้มีเงินมาซื้อวัตถุสิ่งเสพหรือว่า เสียเวลาไปกับเรื่องการการใช้มันเพื่อปลนเปลอหาความสุขให้กับตัวเองทั้งวันเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นเนี่ยอันนี้เราไม่สันโดษถึงแม้ว่าเองอ่นจะต้องไม่ต้องไปทำมาหาหากินก็ตามเพราะมีได้มรดกมาแต่ทำหากินก็ดีนะในความหมายที่ว่าเออหาเงินมาแล้วเนี่ย หาเงนินมาหมื่นเราใช้แค่พันอีกเหลือเก้าพันก็ช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้อันนี้ดีหรือไม่ฉะนั้นก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มีคุณค่ า, านั้นถ้าเกิดว่าสันโดนเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกต้องนะนั่นเรียกวปฏิบัติไม่สมควรจะททำ ปฏิบัติไม่สมควรจะทําใช้สันโดษไม่เป็นใช้สันโดผิดมันก็ทําให้เกิดความเสียหายทำมานี่ถ้าใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นนี่มันก็เกิดผลเสียนะก็เช่นเดยกยาเนี่ยยากินยาผิดนะผิดหรือว่าเกินโดสหรือว่าไม่ถึงโดสนะมันก็เกิดผลเสียได้ นั่นเวลาปฏิบัติธรรมต้องใช้ปัญญานะสติปัญญาในการที่จะรู้ว่าเพื่อที่จะรู้ว่าธรรมะนี่เขามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรแล้วก็ทําให้ถูกนะอันนี้เรื่อปฏิบัติสมควรกับธรรมธรรมะต้องธรรมะปฏิบัติหลังกเวลาฟังคำสอนคูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยนเวลาท่านสอนไม่เหมือนกันเนี่ยก็ไม่ใช่แปลว่าท่านเอาแน่อานอนไม่ได้ ต้องหรือว่าท่านสอนกับใครอย่างนี้ตัวง่ า, งงายๆพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนแต่ทำไมในบางในบางที่ก็บอกว่าเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะบุคคลต้องรักตนบุคคลผู้รักตนหวังเฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อรู้อักถึงทางสองเจ้าอยู่ตรงทางความรู้วัฒธรรมอันนี้เราเคยสวน นะี่ทําไมผู้เจ้าพูดไม่เหมือนกันนะบางตอนก็บอกว่ามีคนถามว่าเวทนานี่ใครเป็นผู้เสวยผู้เจ้าบอกว่าท่านถามผิดนะต้องถามว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนานถามว่าใครสเสวย น, นี่ไม่ถูกนะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีใครมันไม่มีตัวตนไม่มีใคร พระอรหันต์ตายแล้วไปไหนพระเจ้าก็ไม่ตอบพระเจ้าตายแล้วสูญใช่ไหมพระเจ้าก็ไม่ตอบตายแล้วไม่ตายแล้วดับไปเลยใช่ไหมพระเจ้าไม่ตอบเพราะว่าคําพูดนนี้มันยังมีความสุว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ตายแล้วนี่สูญใช่ไหมพระเจ้าก็ไม่ตอบเพราะคนถามนี่ถามเพคิดว่าพระอรหันต์นี้มีเป็นตัวเป็นตน มองคนแบบเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนตอบไปก็ทํทำให้ยังเป็นการตอบย้ำความเชื่อว่ามันมีตัวมีตนแต่สมัยนบางที่ผู้เจ้าว่าเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งต น, นหรือบางทีก็บอกว่าเนี่ยคนทานย่อมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูย่อมทำกับตัว เ, เหมือนเป็นศัตรู เราเราก็มีตัวเองเนี่ยมีตัวตนเหมืนที่ก็าบอกในกรรมเรามีกรรมเป็นของตนคุณ เ, เจ้าบอกไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่ใช่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราแทำไมคุณเจ้าสอนว่าเรามีกรรมเป็นของตนคุณเจา้านี่พูดไม่คงเสคนค ง, งวาเลยนี่คนที่ไม่เข้าใจไม่ควรพูดแบบนี้ คิดแบบนี้เองต้องดูว่าเนี่ยผู้เจ้าพูดในกรณีไหนพูดกับใครนะ <c oughs> เวลาพูดเวลาพูดที่จะชักชวนให้คนทําความดีก็จะพูดแบบนี้เนี่ยพูดคนทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจธรรมะขั้นสูงเนะียก็ต้องช่วนให้เขาทาความดีชวนให้เขาทคาวทความดีก็ต้องก็พูดให้เขารักตัวเองให้เขาจักพึ่งตัวเองให้เขาปวด กรรมชั่วก็กรรมชั่วเนี่ยทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ถ้าพูดในแง่ของการเข้าใจความจริงนะศัจธรรมเนี่ยพูะเจาก็พู้อีกแบบนะให้เข้าใจให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าสอนให้ทําดีนะก็จะพูดเรื่องตัวตนถ้สอนให้เข้าใจความจริง ขันสูงสุดก็ไม่มีก็ก็จะพูดเรื่องอนัตตาพูดเรื่องปรมาถ ธ, ธรรมไม่ได้ขัดแย้งกันนะที่พระเจ้าสอนเหมือที่หลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ได้พูดสัดแย้งกันนะเึงแต่ว่าถ้ารู้ว่าธรรมะเนี่ยมันเหมาะกับใครนะรู้ว่าจะใช้ธรรมะนี่เพื่อช่วยแต่ละคนแต่ละคนได้อย่างไรในเะมืองเนื่องจากแต่ละคนไม่เหมือนกัน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 วันนี้พูดอย่างนี้เมื่อวานนี้พูดอีกอย่างก็มีก า, าพูดให้ใครฟังหรือพูดในกรณีไหนเอาละชาติภูระทัศนนี้นะกลับร